อกราบบูชาพระธนไตรยัยรกราบบูชาครูบาอาจารย์แต่หลว ง, งพ่อเทียหลวงพ่อคำเขียนถวายความเคารพมายัางพระอาจารย์สุรินพันเตก อ, อกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายัางแมช่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนเนะเาะอ่วันนี้ก็เป็นวันพุธนะที่24มกราคมาพุทธศักราชสองพ นะก็ตามกำหนดนะที่คณะพนัพนิชยศาสตร์และการบัญชนะีจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัยนะนำคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตนะมาฝึกเจริญสตินะก็ตามกำหนดวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะแต่จริงๆแล้วในการฝึกเจริญสติเนี่ยนะ เราอย่าไปคิดว่าเป็นวันสุดท้ายนะคิดว่าเป็นวันวันเริ่มต้นดานะบใดก็ตามนะที่เรายังยังมีความทุกข์อยูนะ่โดยเฉพาะทุกข์ในจิตในใจนะยังกลัวนะกลัวกลัวนั่นกลัวนี่นะยังหงุดหงิดนะยังรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มนะในจิตในใจ นะตราบนั้นเนี่ยนะเราก็ยังจะไม่หยุดนะในการที่จะฝึกในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจเราชีวิตของเราเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ขนาดเดียวเท่านั้นแหละนะมันไม่ใช่เป็นวันนุ่นวันนีนะ้ถ้าเราไปคิดว่าเป็นวันสุดท้ายเรามาฝึกนะกลับไปนะก็ไม่ฝึกนะเราทิ้ง นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสที่เราจะได้มาฝึกมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ง่ายนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องอาศัยมีร่างกายที่สมบูรณ์มีจิตใจที่เป็นปกติเป็นคนธรรมด า, าถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าจิตเราไม่ปกตินะ คนเป็นโรคจิตโรคประสาทนะก็ไม่สามารถที่จะมาฝึกฝนได้ไม่สามารถที่มาเรียนรู้ได้ร่างกายอัตภาพเราสมบูรณ์พร้อมนะที่เราจะเรียนรู้ได้นะตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วนะทีนี้เนื่องจากนอกจากร่างกายเราสมบูรณ์จิตใจเราพร้อมนะมันก็ต้องมีศรัทธาด้วยนะมีความศรัทธาที่จะ เรียนรูนะ้เรื่องนี้นะถ้ามาโดยโดยการถูกบังคับมานะจะบังคับมาปฏิบัติก็ดีมาบวชก็ดีนะใจเราก็ไม่เคยยอมรับเท่าไหร่หรอกนะก็มาอยู่อย่างนั้นแหละนะมาอยู่กินกินเล่นเล่นนอนๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปนะไม่ได้ฝึกฝนนะไม่ได้เรียนรู้ เพราะอะไรบางทีมันก็มีความสะดวกสบายมันมากั้นนะ่ะนะจะตื่นนอนตีสามทำวัดตีสี่อย่างเงี้ยนะไม่ง่ายนะคน ท, ทั่วไปนี่ก็ไม่เคยทำกันหรอกนะแต่เรามาอยู่วัดป่าสุขโตนะมันมีกำหนดมีระเบียบชัดเจนนะเราก็ตื่นมาก็ต้องฝืนหน่อยละนะหลายคนไม่เคยตื่นนะตีสาม นะมาวันแรกๆก็โอ้ยนะมันไม่อยากจะลุกเลยนะอากาศมันก็เย็นสบายนะยังไม่อยากจะลุ ก, กแต่เราก็ฝืนนะตรงนี้เมื่อเรามีความศรัทธานะเราก็มีความเพียร น, นะที่จะมาศึกษามาเรียนรูนะ้รูปแบบก็ชัดเจนนะปฏิบัติลงไปทำลงไปนะวันที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน3วัน4วันวันนี้วันที่5 นะปฏิบัติจริงๆก็สามวันนั่นแหละเต็มที่อ่ะเป็นไงล่ะวันแรกอ่ะโอ้โหทั้งง่วงทั้งเบื่อทั้งปวดเมื่อยนะทั้งคิดฟุ้งซ่านสารพัดเลยนะที่มันจะมาตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาฝึกนะนะนะก็จะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็มันแก้ไขไม่ได้ด้วยตัวนี้มันเป็นตัวกั้นนะ เ็เรียกว่ากิเลสมานน่ะนะนะมันกั้นไม่ให้เราที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราน้อยคนนะที่จะได้มีโอกาสมาฝึกอย่างนี้แม้แต่คนที่มาวัดป่าสุกโตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เรียนรู้นะเออบางทีมาบวชเนนบางทีมาบวชพระบางทีมาบวชชีมาอยู่ปฏิบัตินะบางทีก็ไม่ได้ฝึกนะเออกลัว ไม่เอาอมันฟุ้งซ่านมันเบื่อมันง่วงนอนนะอย่างพวกเรามานี่เราเออเราตั้งใจมาใช่ไหมอาจารย์ชวนมาจานาที่นะก็มีความศรัทธานะบางส่วนก็อาจจะออไม่ได้คิดนะว่าจะมาทำอะไรนะไม่ได้คิดว่าจะมาฝึกมาเจอกับความง่วงความเบื่ อ, อ, อความฟุ้งซ่านวันแรกถ้ามาคนเดียวเนี่ยนะ มันกลับบ้านได้ง่ายๆเลยนะเออแต่นี้มันมีกลุ่มใช่ไหมมีกำหนดชัดเจนมีงบประมาณนะก็จำเป็นลนะต้องอยู่นะวันแรกหลายคนก็เดินกันจนโอ๊ยปวดน่องเลยนะขาแทบจะหลุดเลยใช่ไหมโอ้ยไหวไม่ไหวเนี่ยนะแต่บางคนก็เออมีกำลังนะมันมีความปวดความเมื่อยมีความฟุง้งซ่านมีความเบือ่อนะเราก็ อดทนนะตอนแรกอดทนใช้กันติก่อนนะมีความอดทนนะแล้วก็พยายามที่จะประครับประคองตัวเองนะฮะทความรู้สึกตัวนะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะตั้งแต่เช้านะฮะจลลดเย็นนะมันปวดมันเมื่อยก็เป็นธรรมดาเราก็ได้เรียนรู้มันมีประสบาการณ์นะประสบาการณ์จากการที่เราได้สัมผัสนะฮด้วยความรู้สึกตัว ไม่ใช่คิดเอานะมันปวดมันเมื่อยเราก็รู้นะมันคิดมันนึกเราก็รู้นะรู้แล้วอารมณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้อาการเหล่านี้มันมามันมาแล้วมันกลับไปมันมาแล้วมันกลับไปนะเห็นแล้วเห็นอีกนะวันที่สองเออก็ยังชั่วหน่อยนะความง่วงก็เหมือนเดิมมาแหละนะแต่ว่าเรายอมรับมันได้ความรู้สึกตัวมันมากขึ้นมันเข้าไปแทนที่ความง่วงก็เออ รู้สึกเบาๆนะความปวดความเมื่อยมันก็ยังมีเหมือนเดิมแหละแต่เราก็ฉลาดขึ้นใช่ไหมฉลาดในการที่จะใช้อิรยบถเปลี่ยนแก้ไขเดินมากเดินานานมันปวดมันเมื่อยอ่ะก็นั่งก็ได้นะนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยเราก็เดินก็ได้นะอันเนี้ยความทุกข์ทางกายเนี่ยผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขไปนะแต่ความทุกข์ทางใจคือความไม่รู้เท่ารู้ทัน นะไม่รู้เท่ารู้ทางกายไม่รู้เท่าทานความาความคิดนะที่มันคิดนึกไปต่างๆนา น, นาเราเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยความทุกข์ใจนะถ้าเข้าใจนิดเดียวแค่นั้นเองนะกลับมารู้สึกตัวนะหรือคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะต่างๆนานานะนะก็กลับมารู้สึกตัวเท่านั้นเองนะตรงนี้มันก็ทาให สภาพของจิตนะธรรมชาติเดิมแท้ของใจนะที่เป็นปกติมันก็แสดงตัวของมันนะเราไม่ได้ไปหมกมุ่นคุ้นคิดนะตรงนี้เมื่อเราผ่านอารมณนะ์อารมณ์ที่เรียกว่าเครื่องกลางกั้นนิวรเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกเออเบาสบายนะวันที่สองบางคนก็เรออู้สึกเบาๆแ ล, นะล้วรู้สึกสบายๆแล้วนะ ความง่วงความเบื่อความเซงความฟุ้งซ่านก็ยังมีอยู่แหละนะแต่มันก็เาบาลงนะจริงๆตรงนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้มันพอเราไม่รู้เท่ารู้ทันมันเราก็ไปอยู่ในอารมณ์มันเข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปอยู่ในความพอใจไม่พอใจนะอย่างเมื่อวานที่เราฟัง เ, เสียงของอาจารย์ไพศาลใช่ไหมมันเบื่อมันเซงมันเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเลยอ่ะใช่ม เรากลายเป็นผู้เบื่อเรากลายเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแต่พอเราเจริญสติชัดขึ้นเราก็เห็นอ๋อมันก็เป็นเพียงแค่อาการเนาะความปวดความเมื่อยความคิดฟุ้งซ่านนะมันก็เป็นเพียงอาการของกายของใจนะที่มันเป็นความเคยชินบ้างมันเป็นธรรมชาติของมันบ้งนางนะที่มันแสดงออกมาแต่พอเราเห็นปุ๊บเราก็ไม่เข้าไปหมกมุ่นกับมันเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นเราก็ถอยออกมา คําว่าถอยคือกลับมารู้สึกตัวเนี่ยนะก็ดูนะเห็นรูนะ้เห็นสิ่งต่างๆเราเกิดขึ้นเนี่ยได้เห็นไหมล่ะมันคงที่คงตัวป่ะล่ะความง่วงมันไม่ได้ง่วงตลอดเวลานี่ยใช่ไหมความปวดความเมื่อยก็ไม่ได้ปวดเมื่อยตลอดเวลานะสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ก่อนเราไม่รู้นะเราไปเข้าไปยึดถือเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเช่น ไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยไม่อยากง่วงไม่อยากคิดนะอยากจะให้มันสงบไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะว่าเราเคยได้ยินมาโอมาฝึกกรรมาฐานนี่มันต้องสงบเนาะไม่ต้องคิดอะไรเนาะอันนั้นนะ่ะเป็นความเข้าใจผิดนะความสงบในที่นี้เนี่ยนะที่เราเห็นชัดเจน ค, คือความปกติของใจนั่นแหละสงบแบบตื่นรู้นะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้น าอาการหนักใจอาการเบาใจาเบากายเบาใจาหรือว่าหนักหนักกายหนักใจาบางคนก็เจ็บป่วยใช่ไหมปวดเมื่อยเป็นไขน้เหมือนกับไม่ค่อยสบายอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็แสดงออกม า, าให้เราได้เห็นแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็หลงไ ป, ไปในอาการเหล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตาในคือความรู้สึกตัวมันเริ่มเปิดแล้ว เรนะเรียกว่าเราเปิดตาในแต่ว่าตอนเนี้มันยังไม่สว่างเต็มที่หรอกนะมันก็ให้ริบหรี่ขึ้นมาอย่างน้อยๆ น, นะมันก็ได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเรานะก็คือตาตาในคือความรู้สึกตัวนี่แหละหลวงพว่อเขียนใช้คำว่าตาวิเศษนะตาวิเศษที่จะเห็นกายเห็นใจเห็นนาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะเห็นแล้วเห็นอีก นะมันก็จะเห็นเลยว่าร่างกายเราเนี่ยนะมันเป็นก้อนทุกข์แนตะ่มันไม่ใช่ก้อนสุขหลักนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็าหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะถ้าเราไม่เห็นมันเนี่ยเราก็จะไปเรียกว่าบ่นตีโพติพายกับมันทาไมจึงหนาวจังเลยทาไมจึงหิวจังเลยนะทำไมมันปวดมันเมื่อยนะมีแต่ว่าทำไมทำไมแต่พอเรา <c oughs> มีสตินะรับรู้แลนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นความจริงของมันอ๋อมันก็อย่างนี้แหละธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละนะร่างกายมันปวดมันเมื่อยกระปรอนคายบรรเทาไปนะส่วนจิตใจที่มันคิดมันนึกมันหลงไปในอารมณ์ในความคิดต่างๆแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นประสบาการณ์ที่เกิดจากการที่เราฝึกนะที่เราได้ทําอย่างต่อเนื่อง นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเรามาวัดป่าสุกต่อนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับนะกลับไปนะจากการมา3มวันห้าวันเจวันหนึ่งเดือนนะหรือว่าอยู่ไปแบบเรื่อยๆอยู่ไปแบบยาวๆนะถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยนะนะน่าเสียดายมากเลยนะเหมือนที่มีมีโครงเขาบอกว่าโกบนะเกิดใต้สะบัว นะรืออ่อนรู้ลดมาหนึ่งน้อยภุ ม, มิรานะบินมาไกลจากไกลแสนไกลนะบินมาคล้อยคล้อยคลุกคลาวเาคนพูดง่ายคือกบเนี่ยมันเกิดอยู่ในสะบัวนะอยู่ใต้กอบัวแต่มันไม่เคยได้กลิ่นนะกลิ่นหอมของดอกบัวเลยนะแต่ว่ า, <c oughs> มาแมลงเนี่ยนะแมลงผู้เนี่ยมันบินมาจจะไกลเลยนะ มาดมดอมเกสรของดอกบัวนะอันนี้ก็คือถ้าเรามาวัดป่าสุกโตแล้วมาบวชก็ดีนะมาปฏิบัติก็ดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากร่างกายก็สมบูรณ์นะร่างกายก็ปกตินะรอให้คนอื่นๆก็ามาอย่างชาวัะเซียงเนี่ยนะออคนญี่ปุ่นคนจีนก็มานะ คนไทยเราม า, านะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะตรงนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาเนี่ยนะก็เรียกว่าได้รับนะได้รับประโยชน์นะาการจัดการมาแล้วก็สิ่งที่ได้ฝึกไปเนี่ยก็เป็นประสบะการณ์ที่เราเห็นเนี่ยยังเล็กๆน้อยๆนะนยังมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกมากนะที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราไม่ไปสานต่อนะเราไม่ได้ฝึกต่อนะก็น่าเสียดายสติ ความรู้สึกตัวที่เราได้จากการฝึกฝนเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเหมือนกับตาเนี่ยที่มันถูกเปิดกันแล้วแต่มันยังเปิดไม่มากถ้าเราทำต่อเนี่ยโอ้มันจะเปิดมากมันจะสว่างขึ้นเราจะเห็นรายละเอียดอาการต่างๆการยึดติดจริงต่างๆความโลภความโกรธความหลงที่มันคุ้นชินที่มันพร้อมที่จะเกิด หลายคนเข้าใจว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราจริงๆมันไม่มีหรอกมันแต่มีความเคยชินนะที่มันจะเกิดมันจะเกิดตอนที่เราไม่รู้นะไม่รู้เท่ารู้ทันนะซึ่งตรงเนี้ยจะต้องอาศัยสติที่แหลมคมปัญญาที่รอบรู้นะซึ่งตรงนี้จะต้องได้จากการฝึกนะไม่มีหลักที่มันจะเกิดขึ้นมาเองนะจเป็นที่ต้องอาศัยการฝึก การฝึกที่ต่อเนื่องนะสิ่งที่เราได้รับไปนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปสามวันสี่วันเนี่ยเป็นเพียงแค่เริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายนะเป็นวันเริ่มต้นเริ่มต้นของการเดินทางนะเดินทางก็ไปภายในจิตในใจของเรานะเราทัศนาจรไปทั่วโลกนะไปที่นูน่นที่นี่อันนั้นเป็นการท่องนะท่องทัศนาจรไปเรียนรู้โลกข้างนอก นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะท่องเข้าไปข้างในในจิตในใจของเราในกายของเรานะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเกิดปัญญานะเกิดการปล่อยการวางนะทำให้เราใจของเรา เ, เป็นอิสระอิสระจากอะไรจากความโลภความโกรธความหลงนะอันนี้ซึ่งตรงนีนะ้เป็นสิ่งที่จะทำใหนะ้เราสามารถที่จะสัมผัส นะกับความไม่ทุกไดนะ้เป็นสิ่งที่ทำไดนะ้ไม่สิ่งเป็นเหลือวิสัยนะเราสัมผัสอย่าง น, น้อยสามวันเนี่ยเราได้สัมผัสบังล้ะละนะจิตใจที่มันปกตินะธรรมดาธรรมดานะมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่ดีใจมันก็ไม่เสียใจนะมันปกติเฉยเฉยอยู่นะบ๊อบ óp, แบมนะเราเห็นไหมตรงนี้แหลนะคือที่พักของใจ ตรงนี้แหละคือบ้านที่แท้จริงเราจะกลับบ้านนะนั่นบ้านทางข้างนอกเป็นวัตถุ ข, ข้างนอกเป็นที่อยู่อาศัยนะทางด้านร่างกายแต่จิตใจของเรามีบ้านหรือยังนะบ้านที่เราจะพักนะเวลาเราเครียดเวลาเรากลุ้มเวลาเรากโกรธเวลาเราหงุดหงิดนะเรามีที่พักอย่างที่หลบภัยที่หลบภัยของจิตใจเรามีหรือยัง เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราได้ประสบประการนะได้เรียนรู้นะแล้วก็เอาไปสานต่อนะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นไม่ใช่วันสุดท้ายนะบางคนกนะ็ตื่นเช้ามานะสดชื่อนะวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะใจเอ้ยนะเตรียมเก็บเข้าเก็บของไปแล้วหมดเวลาแล้วนะเราคิดว่าชีวิตของการฝึกมันแค่เนี้ย จบและนะไม่ใช่นะนี่เพียงแค่เริ่มต้นนะนะสิ่งที่เราจะไปสารต่อที่จะไปทำต่อนะทำคนเดียวนะมันมันมันมันเหงามันว่าเวมันโดดเดียวก็รวมตัวกันนะเป็นกลุ่มเป็นชมรมนะชวนกันทำก็ได้นะมีเวลาว่างๆนะแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้สังคม การศึกษาก็ดีอะไรก็ดีมันเร่งรัดไปหมดนะเวลาที่เราจะมาทำอย่างเนี้ยนะมันก็าได้ยากนะเขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยนะมันเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ข้างหลังนี่นะมันมาขับเคลื่อนให้เราไม่มีเวลาว่างเลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอะไรนะชีวิตคนในเมืองหลวงมันก็เร่งรีบไปซะทุกอย่างนะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะ เป็นเรื่องที่เออมันก็ลำบากเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะเราพยายามที่จะหาโอกาสหาจังหวะนะกาว่าหาโอกาสหาจังหวะเนี่ยในชีวิตประจำวันนั่นแหละมันเคลื่อนมันไหวก็ใส่ใจที่จะระลึกรู้สึกตัวงานมันจะยุ่งขนาดไหนนะก็พยายามระลึกรู้สึกตัวมันยากนะมันไม่ง่ายหรอกแตมาก็มีประสบการณ์ นะมาปฏิบัติตอนปฏิบัติก็เออสบายดีเบาดนะีมีความสุขนะกลับไปโหน่งงานมาลุมมาตุ้มเลยนะสักอาทิตย์แรกนี่ก็โอยนะเรียกว่าแทบจะไม่ทันเหมือนกันแต่ก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยทำสักหน่อยนะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนะานาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลาไปเล่นเฟซบุ๊กเล่นลน์ เอาไปดูละครน้ำเน่าเนี่ยเออมาจัดเวลากับเรื่องนี้ดีไหมนะอันเนี้ยซึ่งตรงนี้แหละนะมันก็จะเป็นการสานต่อนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปได้ฝึกฝนไปนะถ้าพอมีเวลาอา้าวก็มาวัดอีกก็ได้นะเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของเราเอนะไม่ใช่วัดไม่ใช่อะไรหลวงพ่อเขียนนั่นบอกแล้วยกให้ที่นี่เป็นบ้านของพวกเรา นะบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่หนึ่งก็นั่นแหละที่เราอยู่นั่นแหละนะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะมีคอ้อดีไม่มีคอ้อดีไม่ไมสําคัญนระเรารู้หลักรู้วิธีการอยู่แล้วนี่มาเมื่อไหร่ก็ได้วัดป่าสุโกโตในประตูเปิดยีบสีชั่วโมงเลยนะมามาได้เลยมาพักก็เรียกโรงเรียนกินนอนฟรีทุกอย่างโร <c oughs> งเรียนกินนอนนะมากินมานอนมาฝึกมาปฏิบัติ มาใช้สถานที่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีพวกเรามาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนกันนะนะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญาติโยมนะถ้าไม่มีมันก็เงียบเหงานะเหมือนวัดทั่วทวไปอ่นะเดี๋ยวก็บอกเด๋ยนนีแ้แถวบนเขานี่ก็ร้างไปหลายวัดเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเราไม่ได้มาใช้ประโยชน์นะระยะหลังๆนี่ก็เห็นมีหลายคนเนาะเคยปฏิบัติเคยเข้าคอร์สนะ พอรู้หลักนะก็มาปฏิบัติเองนะมาเงียบๆนะมาปฏิบัติช่วยงานส่วนรวมนะตรงนีนะ้ก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์นะได้ใช้ประโยชน์สิ่งที่ครูบาอาจารยนะ์ท่านไดเ้เริ่มก่อสร้างเอาไว้ปีหน้านี้ก็จะครบ50ปีนะตั้งแต่จำได้ว่าหลวงพ่อบุญธรรมนะท่านมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกปี2512 ปีหน้า2อ6 2นกะก็ครบรอบ50ปีนะเรียกว่ากึ่งศตวรรษวัดป่าสุกโตนะตรงเนี้ยเท่าที่อาตมาสังเกตก็มีพัฒนาการนะแต่ก่อนเนี้ยคนไม่ค่อยมากเดี๋ยวนี้คนก็มากขึ้นนะมากัน3วัน5วันมาคนเดียวมาสองคนนะถ้ามีกัลยาณมิตรแนะนำก็เออก็ได้ฝึกได้ฝนกันคนที่มาใหม่ะนะ ถ้าไม่มีก็อาจจะเหงาว้าเวบ้างก็ไม่เป็นไรนมีคนน้นคนนี้ช่วยกั น, นคนละไม้คนละมือก็ใช้วัดป่าสก โ, โตเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องชีวิตวิชานี้เป็นวิชาชีวิตาาที่อาจารย์ไสารท่านพูดอาจจะมาได้ยินคําเนี้ยจากอาจารย์ไสารเราเรียนรู้วิชาการวิชาชีพสำหรับการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงาน แต่วิชานี้คือวิชาชีวิตซึ่งวิชาเนี้ยไม่ใช่วิชาเลือกนะจันทงศิลป์เคยพูดไม่ใช่วิชาเลือกวิชาบังคับบังคับอะไรมันบังคับความทุกข์มันบังคับนะความทุกข์มันบังคับความเจ็บความปวดความตายมันบังคับถ้าเรายังประมาทอยู่ยังคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรายังเข้มแข็งอยู่เรายังไม่เจ็บป่วยเรายังไม่ตายเอาไว้ศึกษาทีหลังก็ได้ สนุกสนานไปวันวันหนึ่งเพลิดเพลินไปวันหนึ่งนะคุยสวนเสฮ่าคลุกคลีกันนะไม่ปฏิบัติตรงนี้ประมาทตะกี้นี้ท่านพระอาจารย์สุรินทร์ก็ได้พาพวกเราได้วสวดปัจฉิมพุทโธว่าพุทธองค์เนี่ยก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยเรียกว่าท่านสรุปรวมยอดเลยนะว่าธรรมะเนี่ยนะท่านบอกว่าสังขาร นะไม่เที่ยงนะมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปนะคําว่าสังขารในที่ไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมมีความเปลี่ยนแปลงนะท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทคืออะไรคือสตินั่นเองเรียกว่าคนใกล้ที่จะสิ้นลมเนี่ยนะสิ่งที่ก็จะพูดนั่นนะคือสําคัญที่สุดเลยนะ เพราะฉะนั้นเรายัางประมาทอยู่หรือเปล่าเรายัางเพลิดเพลินอยู่กับความสะดวกสบายอยู่หรือเปล่านะเรายัางเพลิดเพลินอยู่กับความสุขนาะ、เล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ไม่ได้สานต่อไม่ได้ฝึกต่อไม่ได้ทำต่อนะตรงนี้พอถึงเวลานะที่เราเจอกับทุกขนะ์ทุกกายก็ตามทุกใจก็ดีผิดหวังเรื่องนั้นผิดหวังเรื่องนี้นะซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ เรากลับมาปกติได้ไหมเราสามารถออกจากความทุกข์นี้ได้ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธองค์ก็ได้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นชีวิตถ้าจะออกจากความทุกข์ได้ต้องไม่ประมาทการไม่ประมาทก็คือมีสติมีปัญญ า, าที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็จะต้องทํากันต่อไปาบางคนถามว่าทําสักกี่ปี ออในพระ ส, สูตรนะพุทธองค์ก็ได้พูดเอาไว้นะผู้ใดเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างนานเจปีนะอย่างกลางเจดเดือนอย่างเร็วที่สุดห น, น, นะ น, นึ่งวันถึงเจวันนะอานิสงส์ว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคามีนะหลวพ่เทียนบอกว่าอย่างนานสมปี อย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึง90วันถ้าเราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องแต่หลวงพ่อเทียนไม่ได้บอกว่าเป็นพระอานเป็นพระนาคามีนะท่านบอกว่าความทุกข์มันจะลดลงมันจะน้อยลงเรามาแค่สามวันเนี่ยเราประเมินดูสิมันเบาใจขึ้นไหมละ่ะนะใจที่มันเคยหนักนะมันเบาขึ้นไหมละ่ะสักนิดนิดหน่อยนอยก็ยังดีใช่ไมเนี่ย มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นเพียงแค่สามวันนะที่เราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราได้ผ่านความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาเหงานอ น, านความหนัก อ, อกหนักใจความฟุ้งซ่านเออวันจุดท้ามก็เบาๆดีนะเดินได้เรื่อยๆนะตัวเบาเรียกว่ากายเบาใจเบาแต่อย่าไปติดมันอีกละ่นะความเบากายเบาใจเนี่ยนะเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันหนักนกะ็ให้รู้มัน นะสิ่งเหล่านี้และในชีวิตประจาวันเราก็จะเจอแบบนี้แหละนะถ้าเราจะกลับถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตตามปกติที น, ะนี้ถ้าตรงเนี้ยนะเรายังมีสตินะเห็นอยู่ดูอยูนะ่เราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะแล้ว ก, ก็จะเกิดการเรียกว่าเบื่อหน่ายนะในการที่จะไปยึดไปถือมันนะเกิดการปล่อยการวางปล่อยวางเล็กๆน้อยๆไปเรื่อย นะสุดท้ายมันปล่อยวางได้ทั้งหมดโอ้ชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีนะเป็นเกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนานะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาแล้วแต่ถ้าเรายังทุกอยู่นะเรายังหงุดหงิดอยู่เรายังโกรธอยู่เรายัง อ, อกหนักใจอยู่โอ้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าเราสังเกต ด, ดูเนี่ยนะ ที่เราเรียกว่าคนคนเนี่ยทำไมไม่เรียกว่ามนุษย์ละ่ะคนกับมนุษย์นี่มันต่างกันนะคนมันคือแล้วคนปนกันไปนะคนโบราณก็บอกว่าจิตใจของคนเราเนี่ยนะเป็นเปรตก็ได้เป็ น, ป น, ป น, ปนอสุรกายก็ได้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นพรหมก็ได้ นะมันมีคำที่เขาเรียกกันนะนะถ้าจิตใจเราอยากเราไม่รู้จักพอเราไม่รู้จักอิ่มนะอันนี้ก็เรียกว่ามนุษย์สเปโตเคยยินไหมไม่ใช่เล่นไพ่แล้วสเปโตนะมนุษ <laughs> ย์สเปโตนะคนไหนที่ขี้กลัวนะกลัวนั่นกลัวนี่นะเขาเรียกว่าสุรกายนะหรือบางคนเนี่ยนะทำอะไรไม่เคยดีร้อนอกร้อนใจเหมือนตกนรกอนะ่ะ เขาเรียกว่ามนุษย์นิยโญสัตว์นรกหรือคนประเภทแบบหลงหลงเรื่องราวต่างๆหลงเงินเหลืงทองหลงลูกหลงเมียหลงทรัพย์สมบัติประเภทหลงเนี่ยไม่รู้อะไรที่ดีกูไม่ทำแต่ชั่วถ้าได้เงินกูเอาอะไรเงี้ยนะประเภทนี้เ็าเรียกว่ามนุษย์ติระฉานโนก็คือเดรลฉานมันไม่รู้ นะชอบทําอะไรแบบขางขวางนะแต่ถ้าจิตใจเรานะชอบให้ชอบทำบุญให้ทารักษาศีลอนะันี้ก็เรียกว่ามนุษยเทโวนะมนุษย์ที่มีใจเหมือนเทวดาถ้ามีจิตใจเมตตามีพรหมวิหารก็เรียกว่าเป็นพรหมนะถ้าจิตใจเหนือกิเลสเหนือตัณหาอุปาทานก็เรียกว่ามนุษโสมนุษย์โสสิ ก็คือผู้มีใจสูงท่านอาจารย์พุทธทาสได้แยกคาศัพท์ให้ชัดเจนบอกว่ามณะนะบวกอุศยะมณ ะ, ะคือใจอุศยะคือสูงยกจิตใจให้สูงสูงจากอารมณ์สูงจากความอยากเพราะฉะนั้น <c oughs> การมาฝึกฝนการมาเจริญสติที่เราได้ทำกันมา เ, เป็นการยกจิตยกใจนะให้สูงจึงขึ้นจากความเป็นสัตว์ต่าง เพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าคนไงมันละคนปนเกินไปหมดบางช่วงบางเวลาเราก็เป็นเปรตบางช่วงบางเวลาเราก็เป็นอสุรกายบางช่วงบางเวลาเราก็เป็นสัตว์นรกบางช่วงบางเวลาเราก็เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมและบางช่วงบางเวลาเราก็เป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราฝึก ต, ตาในมันเปิดมันจะเห็นหมดนะนรกสวรรค์เนี่ย ไปจาะนั้นกลับไปเนี่ยก็ถามเป็นไ ง, ปน ไ, งไปปฏิบัติเห็นนรกสวรรค์ไหมเห็นทำไมยังไม่เห็นเล่าเนะีก็นรกก็ร้อนอกร้อนใจ่สวรรค์ น, นั่ก็สบายอกสบายใจอยเธออยากเห็นไหมล่ะนะเออถ้าอยากเห็นก็ไปฝึกดินะแต่มีบางคนนะเขาถามมามาวัดป่าสุขโ ต, โตเป็นไงฮูดีมากเลยนะเอออย่างนี้เธอเธอจะไปกับฉันไหมเออไม่เอาแร้ว <laughs> บางคนเข็ดนะโอ้ยมาปฏิบัติ เดินกันหลังโคตหลังแข็งนะแต่สิ่งเหล่านี้มันทาให้เราเข้มแข็งขึ้นความยากลาบากทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วจิตใจของเราก็ตื่นรู้มากขึ้นซนะึ่งสิ่งเหล่านีนะ้ก็อย่าได้ประมาทนะก็ขอให้เรานําไปนะไปศึกษาไปสารต่อนะฉวยโอกาสนะที่จะรู้สึกตัวในชีวิตประจาวันแล้วก็ทำในรูปแบบนะบ้าง นะอย่าไปทิ้งนะนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะในเช้าวันนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ของอ้างยิงกับคุณของพระศีรัตันตรยัยนะก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสติสัมปันญะที่อยู่ในตัวเราพระธรมรมคือจะทำความจริงที่แสดงปรากฏออกมานะที่กายที่ใจนะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนมามธรรม ที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คงตัวไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่าเนี้เป็นพรวัตปัจจัยหนุนนําให้ทุกท่านน่าเข้าถึงความเป็นปกติของใจนะเป็นความสุขเกษมสารในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร